บทที่สามคาถาพันระยะทางจากบ้านยายถึงวัดสัทธาพิรมใช้เวลาเดินประมาณสิบห้านาทียายยื้มปิ่นโตหนึ่งมือ อีกมือหนึ่งถือคบใต้สองทางหลานชายหาบสาแหรกเดินตามหลังอากาศยามเช้าช่้งแสนบริสุทธิ์จนเด็กชายคิดตามประษาเด็กว่าเขาควรจะรีบสูตรมันเข้าไปเก็บไว้ในปอดก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นมาแย่งยายอากาศดีจังยายหายใจยาวๆสูตรออกซิเจนเข้าไว้มากๆนะครับ เขาแนะนำทำไมต้องทำอย่างนั้นยายถามก็ประเดี๋ยวเวลาคนมากๆเขาจะต้องมาแย่งกันหายใจนะสิคนเป็นหลานอธิบายเองนี่งบกระทั่งอากาศที่หายใจเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือไอหนูยายว่าไม่หรอกยายคนอย่างผมชอบมองการไกลผมว่านะ ต่อไปในอนาคตเมื่อคนเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้และทรัพยากรธรรมชาติก็จะล่อยรรอลงไปแม้แต่อากาศที่หายใจก็ต้องแย่งกันยายไม่เชื่อคอยดูไปอีก40・5สิหปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดยายคงไม่ดูหรอกเองคอยดูเผื่อยายด้วยก็แล้วกันเพราะว่าจะถึงเวลานั้น ยายคงตายเสียก่อนคนอายุ80ว่าอย่าเพิ่งตายสิครับยายพยายามหายใจกับกินข้าวเข้าไว้รับรองไม่ตายเด็กผมแกะแนะนำแต่บางทียายขี้เกียจหายใจขี้เกียจกินข้าวทำอย่างนี้มา80ปีจนเบื่อแล้วยายเล่นสำนวนบ้าง ถึงเบื่อก็ต้องแข็งใจหน่อยนะยายนะอยู่ดูหน้าเลนก่อนเขาหมายถึงลูกของเขาเพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีเมียแล้วก็ต้องมีลูกเจกเช่นคนอื่นๆก็ดูมาตั้งห้าหกคนแล้วหน้ามันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นแหละยายหมายถึงลูกของหลานหลานยายมีหลาน38คนเลนห้าคน แต่ลูกผมหน้าอาจจะแปลกไปจากคนอื่นๆก็ได้ยายไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับแข็งใจอยู่ไปอีกสักยี่สิบสามสิบปีรับรองได้ดูหน้าลูกผมแน่เกิดมันออกมาหน้าเหมือนลิงเอ็งจะว่ายังไงยายนึกสนุกแหม่ยายอย่าดูถูกผมถึงขนาดนั้นสิครับ ถึงยังไงผมก็ไม่น่ามืดตามัวถึงขนาดจะคว้าลิงมาทำเมียให้เสียพันหรอกครับสาบานได้และนี่คนที่พูดเป็นต่อยหอยก็ต้องสงบปากสงบคำลงเมื่อผ่านฐานพระเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลอยมากระทบคณะประศาสตรเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้จับไม้คานปิดปากปิดจมูกเมื่อกลิ่นนั้นจางลงไปบ้างแล้ว จึงพูดขึ้นว่าแหมขี่พระนิเหม็นจังนะยายพูดยังไม่ทันจบฝ่ามือของยายก็ฟาดอะไรกันยายแค่ว่าขี่พระเหม็นก็ต้องตบปากกันด้วยล้านชายออกกโกรธเรื่องทำร้ายร่างกายเขายายว่องไวนักเมื่อกี้ยายถือเป็นโต้ได้มือซ้ายถือคบใต้ด้วยมือขวาแต่พอจะตบ ยายก็สามารถถือทั้งปิ่นโตทั้งคบใต้ไว้ในมือเดียวกันอย่างฉับพลันโดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใดไอ้หนูยายขอเตือนเองว่าอย่าพูดจ่วงจบับพระเจ้าแบบนั้นเองพูดล่วงเกินยายได้ยายไม่ถือแต่กับพระกับเจ้าเองอย่าทำอย่างนั้นท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธ ควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่ควรที่เองจะเอามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดความจริงต่างหากยายไม่ได้กลิ่นบ้างหรือยังไงล้านชายยังคงเถียงออกสงสัยว่าเหตุใดอาจมของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงได้เหม็นร้ายกาจเช่นนี้ไอ้หนูเองอย่าวอนหาเรื่องเจ็บตัวยายสอนอยู่แมบบ เองก็ยังไม่ยอมฟังประเดี๋ยวเธอะจะได้เจอดีห้ามพูดห้ามเถียงเมื่อเป็นคำสั่งของยายหลานชายจำต้องเชื่อฟังเหตุนี้ยายหลานจึงเดินกันไปเงียบๆกระทั้งถึงศาลาหลังใหญ่ ผู้คนที่มานั่งรอฟังเทศคทถาพันมีราวๆหาสิคนส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ดังนั้นเด็กชายจเจริญจึงเป็นคนอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่มาฟังมิใช่ว่ามีศรัทธาประสาทะทว่าทุกครั้งที่เขาหาบของมาส่งยายจะต้องบังคับเขี้ยวเขียนให้ฟังคถาพันจบเสียก่อน จึงอนุญาตให้กลับบ้านตายแล้วเองจะได้ขึ้นสวรรค์ยายจะพูดอย่างนี้เสมอกระบวนเกฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ต้องยกให้ยายทั้งตำบล บ, บางม่วงหมู่ก็มียายคนเดียวนี่แหละที่นิมนต์พระไปเทศมหาชาติที่บ้านปีละสองครั้งแล้วยายก็เกณฑ์ลูกหลานให้มาฟังล้านคนไหนชอบหนีไปวิ่งเล่น ยายก็จะผูกขาไว้กับเสาเรือนและคนที่ถูกผูกขาเป็นประจำก็คือเด็กชายจเจริญจรุนรักหลานชายพี่จางน่ารักจังนะเห็นมาฟังเทศกับยายทุกครั้งส่วนหลานฉันไม่เอาเหนือเอาใต้เลย หาของมาส่งแล้วก็รีบกลับไปนอนนางบุญปลูกวัย75ออกปากชมด้วยเห็นเด็กชายจเจริญมากับยายทุกครั้งที่มีเทศมหาชาติก็ต้องบังคับเคี่ยวเข็นนั่นแหละถึงได้ยอมอยู่ไม่งั้นก็จะกลับไปนอนเหมือนกันนั่นแหละเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะแม่บุญปลูกนะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศ ผิดกับสมัยพวกเรายายวิจาร์ฉันก็ว่างั้นแหละอีกหน่อยพอเขาเป็นพ่อคนแม่คนก็คงไม่พาลูกหลานเข้าวัดไม่เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราซึ่งยึดมั่นอยู่ในพระศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นางบุญปลูกคล้อยตามขณะที่เด็กชายจเจริญ น, นั่งทําตาปลิบ ป, ป และพวกเราก็ชอบไปวัดกันถึงวันโกนวันพระก็จ้องไปวัดกันแล้วไม่เห็นต้องให้ผู้ใหญ่มาบังคับเขี่ยวเข็นมันเด็กสมัยนี้ยายพูดแบบตีวัวกระทบคราดหลานชายรู้สึกคันปากยิบยิบหากไม่กล้าออกความเห็นเขาไม่อยากถูกยายตีต่อหน้าทารกกำนันจึงต้องท่องคาถา หลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งอยู่ในใจนี่ถ้าหมดคนรุ่นเราคงหาคนเข้าวัดยากหรือพี่จางว่างไงนางบุญปลูกถามอีกมันก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแม่บุญปลูกฉันว่าคงจะเป็นเพราะหนังขายยาหรือไม่ก็ลำตัดลิเกนั่นแหละที่ทำให้คนห่างเหินพระาศาสนา ยายตั้งข้อสังเกตก็คงมีส่วนอยู่หรอกแต่ฉันว่าหนังขายายายอย่างเดียวนั่นแหละเพราะว่าลําตัดลิเกนั้นสมัยเราเป็นเด็กก็มีให้ดูพวกเราก็ยังชอบมาวัดฝั่งเทศนั่นสิหรือเอ็งว่ายังไงไอ้หนูยายถามหลานชายผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันแต่ถึงรู้ก็คงไม่ว่า เพราะดีไม่ดีถูกยายตีเปล่าๆผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบรังแกเด็กนะครับยายพูดผิดหูหน่อยก็ทั้งหยิกทั้งตีเขาพูดกับนางบุญปลูกก็ตั้งใจประชดยายนั่นแหละก็ปากเองมันดีนักนิพูดอะไรออกมาแต่ละทีไม่เคยห่างคุมนรกเลย ที่ยายคอยดุว่าเคียนตีก็เพราะไม่อยากให้เองตกนรกตัางหากละ่ะยายแก้ต่างนรกอีกแล้วก็วันก่อนผมพิสูจน์แล้วนี่นาว่านรกไม่มีไม่เชื่อถามไส้เดือนกับกินกือดูก็ได้ล้านชายแยงดูเอาเถอะแม่บุญปลูกเด็กสมัยนี้นอกจากจะไม่ชอบเข้าวัดแล้วยังปากคอเลาะร้าย เถียงผู้ใหญ่คำไม่ตกฟากล้านแม่บุญปลูกเป็นอย่างนี้บ้างไหมร้ายกว่านี้หลายเท่าเชาียวละฉันถึงไม่ได้สนใจให่ดีกับมันพี่จางยังดีที่มีความอดทนมากกว่าฉันการสนทนายุติลงเมื่อสมพานถือตลปัดเดินขึ้นบนศาลาตรงไปยังธรร ม, มาตซึ่งสองข้างทางประดับตกแต่งไว้ด้วยกิ่งไม้ ต้นกล้วยและต้นอ้อยทําเป็นซุ้มประตูป่าในว่าให้เหมือนทางเข้าเขาวงกฏการเดินคาถาพันมักตกเป็นหน้าที่ของสมภารที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องการเรียกศรัทธาจากคนฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นนั่งบนธรรมธาตเรียบร้อยแล้วสมภารจึงให้ศีลจากนั้นจึงเริ่มเดินคาถาพัน ซึ่งยายฟังจนจำได้แม่นแม้ไม่เข้าใจความหมายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวสสันตะระชาตกังพุทธิติวะระวันนาเพ วรั ส, สุทัทธาวเรปัฏพยาจารุปุกพังคียังตุยหังมณะโสปิยังเทวราชานมโมตยันถุกิงปาปังปะกะตังมะยารัมมาเจเวสิมังฐานาวาโตวะทรณีรุหังนาเจวะเตกตังปาปัง นาจักเมตวัมสิอปิยาปุญญจเตปริขเณงเยนะเตวังวัามิหังสันติเกมรนังตุยหังวินาภาโวภวิสติปฏิคันหาหิเมเอเตวเ ะ, ะเรทัสสะเปเวจโต ว, วรันเจเมอโธส ก, กะสภะภูตานะมิตสระ สิวิราชะสะพัทันเตตัฐะอัสังนิเวสเนสมพันวัดศรัทธาพิรมเดินคาถาพัานกันทศพรที่เรียกว่าทศวรขคาถายังไม่ทันจบเด็กชายเจริญจรุนรัตก็นั่งหลับสัประงกน้ำลายไหล ย, ยืดมิหนำซ้ำยังฝันเสิอีกว่ากำลังเล่นทอยกองอยู่กับเพื่อน แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นมอดรู้สึกเสียวแป๊บที่ก้นราวกับถูกมดตนอยต่อยยายเห็นเ้านั่งหลับจึงช่วยปลุกด้วยการหยิกแร่งแรงที่ก้นยายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงบ้านเขาขออนุญาตความจริงแล้วไม่ได้ห่วงบ้านแต่ประการใดทว่าจะไปเล่นถอยกองกับเพื่อนเหมือนที่ฝันนั่นต่างหาก ได้แต่ต้องฟังเทศคถาพันให้จบเสียก่อนยายยินยอมหากก็มีข้อแม้เด็กชายผมแก่จึงไม่คิดต่อรองเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็าอาชนะผู้เป็นยายไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกตีต่อหน้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาให้ต้องอับอายขายพักเมื่อยายไม่ให้กลับ เขาจึงจำต้องนั่งฟังเทศตาเล็กเกลียวจับจ้องที่ใบหน้าสมภารเหมือนว่ากำลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะต้องชนะให้ได้ลองฝันล่วงหน้าอย่างนี้ต้องแปลว่าจะชนะไอ้พวกนั้นมาเล่นขี้โกงเราถึงได้แพ้เด็กชายอายุ12สองคิดวางแผนการเล่นถอยกอง ทั้งที่ตาจับจ้องอยู่ที่พระภิกษุบนธรร ม, มาติสมผานเทศคาถาพันจบลงเมื่อเวลาหกนาฬิกามนดาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงสาธุกันเซงแซ่หลังจากที่นั่งฟังมาหนึ่งชั่วโมงเต็มบางคนนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืด เมื่อได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งตื่นพลางเปล่งเสียงอนุโมทนาบ้างเพราะถึงจะนั่งหลับก็ยังอยากได้บุญอยู่ดียายผมกลับละแล้ววันมรืนตอนเย็นเย็นจะมารับยายกลับบ้านนะครับเด็กผมแกลบอกผู้เป็นยายแล้วหันไปทางธรร ม, ม์กราบท่านสามครั้งจึงลุกออกมา พ้นเขตวัดแล้วเด็กชายเจริญก็เดินตรงไปยังบ้านและถึงภายในสินาทีเพราะเดินตัวเปล่าไม่ต้องหาบของเหมือนตอนขาไปเขาจัดการขุนข้าวนางด่างกับนางดำพร้อมสั่งการว่าเอ็งสองตัวเฝ้าบ้านไว้ให้ดีนะข้าจะออกไปธุระสักหน่อยบายๆจะกลับมาสุนัขสองตัวได้แต่ร้องงิ่ง หากพูดได้มันคงพูดว่าไปเธอนายยังไงยังไงชั้นสองตัวก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่แล้วยายไม่อยู่ที่ไรนายก็ไม่เคยเฝ้าบ้านสักครั้งถ้าชั้นสองตัวเป็นอย่างนายรับรองบ้านนี้คงเหลือแต่เสาเรือนมอบหมายหน้าที่ให้นางด่างกับนางดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กชายผมแก่ จึงหาข้าวเช้ากินตามลำพังอิ่มข้าวแล้วก็ออกไปเล่นถอยกองกับเพื่อนๆแต่ครั้นอิ่มข้าวกลับรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะรับเอาแรงสักงีบหนึ่งแล้วค่อยไปก่อนออกจากบ้าน<อ>เด็กชายไม่ลืมที่จะยิบเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปด้วย ห้าก้อนวันนี้เอาแค่ห้าก้อนก็พอถึงยังไงก็ต้องชนะถ้าได้เงินมากๆก็จะไปซื้อคืนมาจากตะแปะตอนถูกยายจับได้จะได้ถูกเคียนน้อยหน่อยเขาบอกกับตัวเองอาแปะอ่วเอาเงินกรมมาขายห้าก้อนเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนอายุราวหกสิบ วังนี้ทางไม้มีแค่ห้ากล้องทุกทีเองเอามาตั้งสิงกว่ากล้องเจ้าของร้านสงสยัยวันพระทิรไรเด็กชายผู้นี้จะนำเงินกรมมาขายให้เขาครั้งละไม่ต่ำกว่าสิก้อนก็วันนี้อ้วจะเล่นชนะประเดี๋ยวจะกลับมาซื้อคืนให้หมดที่เคยเอามาขายให้อแปะนะ่ะวันนี้จะขอซื้อคืนทั้งหมด พูดอย่างมั่นใจก็ไล่ยอาแปะคิดกองละสองสตางค์อะไรกันที่ซื้อผมยังซื้อก้อนละสตางค์เองพ่อขายจะคิดตั้งสองสตางค์เด็กชายว่าค้าขายก็ต้องคิดกงไรน่ะอีิไม่งั้นจะรวยได้ยังไงแต่อาแปะเอากำไรมากเกินไปน่าเลือด ผูกลีลีอติบุเหลียวอาแปะไม่ซื้อไม่ขายกะลื้อก็ยังล่นะคงอึงมีทงเทเจ้าของร้านพูดกรดโกรธจะเย็นเย็นนะอะแปะเอาเหอะเรื่องซื้อคืนค่อยว่ากันอีกทีจ่ายอ้วมาห้าสตางก่อนคนอายุห0สิบจึงเปิดลิ้นชัก นับเหรียญทองแดงให้เด็กชายห้าอันขอบใจมากประเดี๋ยวอัวจะมาซื้อคืนนะเด็กชายกำเงินห้าเหรียญแน่นและเดินออกจากร้านไปคิดว่าเล่นได้จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวสักชามหลังจากนั้นจึงจะมาซื้อเงินกลมคืนเพื่อ น, นำไปใส่กระบอกไว้ตามเดิมบ่ายคร้อย เด็กชายอายุ12เดินหน้าลอห้อยกลับบ้านเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและก็ไม่ได้ซื้อเงินกลมคืนจากตะแปะแรกๆเขาเล่นได้เงินเต็มกระเป๋าความที่เชื่อฝันจึงยังไม่ยอมเลิกคิดว่าวันนี้ต้องแก้แค้นเอาเงินคืนจากเพื่อนๆทุกคนแต่การกลับปรากฏว่าเขาไม่เหลือเงินติด ก, กระเป๋ากลับบ้านแม้แต่สตางแดงเดียว นางดางกับนางดำกำลังนอนพักผ่อนจึงครั้นที่จะลุกขึ้นมารับเด็กชายผมแกะเดินขึ้นบ้านอย่างง้อยๆกินข้าวอิ่มแล้วจึงพูดกับตัวเองว่าโชคยังดีที่ยายไปอยู่วัดสามวันไม่งั้นก็ต้องรอไปถึงวันพระหน้าพรุ่งนี้เถอะข้าจะไปเอาคืนให้หมดขอยืมเงินกรมไปขายทำทุนอีกครั้งนะยายครับ